เธอเพียงระเ็นเธอเป็นเหมือนคนที่คุ้นเคยยิ้มหวานที่เธอฝากไว้ติดตรึงใจตั้งแต่แรกเจอ ว่าเธอคงสนใจหวังไว้คนเดียวอย่างนั้นเก็บไปฝันอยู่ในหัวใจ เธอยิ้มมาฟันก็พาไปแสนไกลบอกหัวใจเธอคือคนที่รอขอขอพบเธออีกสักครั้ง สร้างความผูกพันทำให้ฝันเป็นจริงสมใจเธอจะรู้ไหมเธอฉันละเมอไปแสน อยู่ด้วยกันเพียงแค่เธอยิ้มมาฟันก็พาไปแส ที่รอคอยลาลาลาล